Bye. <laughs> แพรเทศหลวงพอ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องการเปิดคอร์สหลวงพ่อเปิดคอร์สที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดคอร์สเป็นสัญญาของเราศาสนาพระพุทธเจ้ามีอายุ 5,000 ันปีคอร์สของพระพุทธเจ้าคือการมีปัญญาสมาธิรู้เห็นปัญญาสมาสังกปะพิจารณาวางเหตุทุกข์นี่คือคอร์สของพระพุทธเจ้า หาเห็นตัดถึงเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ทางโลกคือหาเห็นได้เป็นซึ่งเป็นการหาบัญญัติเห็นบัญญัติได้อปนาชาญเป็นรูปปภรรมอรูปป ร, รมเป็นของโลกไม่ใช่ของพุทธะส่วนของพระพุทธเจ้าไม่ง่ายของโลกรู้ง่ายทำง่ายได้ยาก คือสติสมาธินำหน้ารู้ง่ายทำง่ายได้ยากแต่ของพระพุทธเจ้ารู้ยากทำง่ายได้ง่ายได้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของพุทธะรู้ยากอะไรในแสนกัปที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในกัปแสนหนึ่งในสี่อสงไขยมีแสนกัปมี28พระองค์ ทั้งหมด16อสองไขย1 7 2 4 0กลับรู้ยากรู้ยากอะไรรู้ยากเพราะไม่มีผู้หาเห็นตัดถึงมาบอกกับเราการหาเป็นปัญญาสมาธิของพระพุทธเจ้าหาอะไรหาอนัตตาเห็นอะไรเห็นทุกทุกนั้นเป็นอนัตตาตัดเอาอัตทิธิ วิจิกิจชาออกถึงผลญาณเป็นสิ่งที่รู้ยากผู้หาเห็นตัดถึงจึงไม่มีในเวลาสามร้อยปีที่ผ่านมามีหลวงปู่มั่นองค์เดียวเป็นพระอรหันต์หลวงปู่ชาเป็นโสดาบันประเทศพมา่ามีเจ้าศิละเจ้าสุมลุมตะเป็กไอเป็กปินเมียวบทจีส่วนรู้ยากทำง่ายได้ง่าย ทำง่ายคืออะไรขี่ก็นอนัตตาเยี่ยวก็นอนัตตารับอาหารก็นอนัตตาไม่มีเนื้อไม่มีปลาไม่มีของของเราพิจารณาเป็นอนัตตาให้หมดรู้ยากทาง่ายได้ง่ายได้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 5,000 ันปีหนึ่ง พระพุทธเจ้าวางไว้หนึ่งพันปีสองพระเจ้าแผ่นดินขอไว้หนึ่งพันปีสพระอานน์ขอไว้หนึ่งพันปีสคนพรหมขอไว้หนึ่งพันปีหาอาลาวะกะยักษ์ขอไว้หนึ่งพันปีห้าพันปีเป็นของบัญญัติไม่ใช่ของจริงยังไม่ถึง5 0 0พันปีประเทศอินเดียก็ไม่มีแล้ว ศรีลังกาประเทศพม่า ก, ก็หายแล้วประเทศไทยก็ไม่มีแล้วถ้าหากไม่ยอมปฏิบัติหาเห็นธรรมอนัตตาศาสนาจะจบสิน้นหาเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์ใช้ปัญญาสัมมาสังกัปปะหาอนัตตาวางเหตุทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีปัญญาศาสนาสมาธิฏิปัญญาสัมมาสังกัปปะศาสนาจบสิน้น บาลีเรียกว่าอธิปโตอยัมโลโกอั ป, ปโชสวาปุโตวะอปโปสกยะกสติแปลว่ามืดมืดเหมือนกับอะไรเหมือนนกขังข่าวฝนตกไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีวันอยู่ในถ้ำเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างนอน จะเดินไปไหนก็ไม่รู้ไปข้างบนหรือไปข้างล่างคนไทยเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้รู้ผู้ตื่นไม่หลับไม่ตายคนไทยใหญ่เรียกว่าผู้เห็นไม่หลับไม่ตายการเห็นคือเห็นอะไรเห็นทุกข์ทุกข์เป็นอะไรรูปวิญญาณเวทนาเห็นผู้รู้ทุกข์ว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตา ถ้าเรารู้ว่าเห็นทุกรู้ทุก์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี้เราก็เป็นคนพุทธภาษาแล้วถ้าไม่เป็นคนพุทธภาษาไปนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรอตตานโนณชุมะกรรมัมณอุชุปสติอตตานโนกูน้ณกรรมัมทางนี้ณอุชุงปโตมิจฉาพิทางกสติ แปลว่าในโลกนี้วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายไปนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นเปรตไปเป็นพรมไปเป็นอรูปพพรมผู้ที่ไปคืออัตาอัตาโนณอุชุงมัคโคกสติกูไม่ทําไม่รู้คือมิจฉาเห็นผิดอนาตาโนอุชุงมัคโคกสติ อนัตตาโนไม่ใช่กองกูอุชุงยินดีชื่นชมมัคโคกสติไปแล้วอนัตตาไปทางตรงตรงตรงไปไหนไปนิพพานไม่แวะซ้ายและขวาไปซื่อตรงตรงเป็นอนัตตาการไปทางคดเคี้ยวไปทางซ้ายและขวาเป็นอัตตาอัตตาโนมิจุโนปตม กูนี้เกิดมาไปหาความตายไปเส้นทางตายอัฐานายถาปตาอัตนี้ทำให้คนตายเหมือนเทวดาตายเหมือนพรมตายตายเป็นใครเป็นอัตตาตายเป็นกูมีกูก็มีตายถ้าไม่มีกูไม่มีใครตายกูคนกูแมวกูหมา กูเทวดากูพรหมมรณะตายอนัตตาโนถ้าไม่มีกูนี้อมาตมปาตมคือไปทางเส้นไม่ตายอนัตตานติยติอนัตตาไม่ใช่ของกูนี้ไม่มีคนตายถ้าไม่มีกูไม่มีคนตายก็ไม่มีไม่มีพรหมตายไม่มีเทวดาตายไม่มีหมูหมาม้าแมว การตายเกิดขึ้นกับใครตายเกิดขึ้นกับกูถ้าไม่มีกูไม่มีตายเป็นอนัตตาแล้วพระพุทธเจ้าสอนอัปามาโตะมะตํมปะตัมอัปามาโตไม่ลืมและเห็นเส้นทางเดินไปสู่ที่ไม่ตายปมาโตลืมมตํมปะตํมทางรู้ตาย คนไทยเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้รู้ผู้ตื่นแต่เป็นผู้รู้อะไรไม่ได้บอกไว้เป็นอะไรก็ไม่บอกไปถามอาจารย์เขาพูดพูดอยู่ไม่รู้เห็นอยู่แต่ไม่รู้ไม่เห็นก็โง่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ยังพูดอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นคนโง่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าทำอยู่ก็เป็นเหมือนคนบ้า ให้ผ่านโง่ผ่านบ้าให้รู้เห็นพูดฉลาดการเห็นให้เห็นอะไรให้เห็นทุกส่วนการรู้นั้นให้รู้ทุกว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาคนฉลาดหลักแหลมเห็นรู้ทำฉลาดแล้วเห็นอะไรเห็นทุกรู้อะไรรู้ทุก์ว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาหมายความว่าคนคนนั้นฉลาดแล้ว เราเกิดมาเป็นพุทธภาษาภาษาเป็นอะไรก็ตอบกันว่าไม่ทราบครับพุทธเป็นอะไรภาเป็นอะไรไม่รู้สาเป็นอะไรไม่รู้โง่หมดพุทธคือการเห็นรู้คำว่าภาแปลว่าไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่อะไรก็สู้ไม่ได้แสงสว่างส่องประกายแจ่มแจ้งพุทธสติพภา สว่างยังไรเปรียบให้ฟังเหมือนกับการปิดไฟฟ้าดับไฟฟ้าฝนตกอยู่ในถ้ำหลับตายังเห็นอยู่นี่คือพาให้เห็นอะไรเห็นทุกทุกคืออะไรเจ็บปวดหนาวร้อนเป็นทุกหลับตาเห็นเป็นพาส่วนคำว่าสานั่นคือเงียบเย็นไม่ยุ่งไม่เก่าเย็นไม่ร้อน เราเห็นรู้แจ้งเงียบสุดเป็นคนพุทธภาษาแล้วเห็นทุกข์รู้ทุกข์ว่าเป็นอนัตตาแจ้งสว่างหากพวกเราไม่เห็นสิ่งนี้เราไม่ใช่คนพูดเราพูดไม่ได้หากเราไม่เห็นทุกข์รู้ทุกข์ว่าเป็นอนัตตาแล้วเขามาบอกว่าเราเป็นคนพูดนั้นเป็นการโกหกไม่ดี ถ้าเราเห็นทุกรู้ทุกเป็นอนัตตาถึงจะเป็นคนพุทธภาษาแล้วคนพุทธภาษาไม่ไปอบายภูมิไม่ไปพรหมไม่ไปอรูปพรหมแล้วพวกเขาไปไหนคนพุทธภาษาไปนิพพานนิพพานังมัคโคอิติมัคโคไปทางเส้นสู่นิพพานนิพพานังนัสติเอเตนตินิพพานังนัสติสุดยอด หยุดกั้นอยู่ไม่ตายอิติอย่างนี้นิพพานังหยุดอยู่ไม่ตายอย่างนี้นิพพานังไปนิพพานปาวสติหาอะไรหาเจ็บเจ็บไม่ใช่ของเราหาอนัตตาเห็นอนัตตามัคโคเดินไปนิพพานแล้วง่ายงายรู้ยากทำง่ายนะทุกคนในประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคน บัญญัติในหนังสือว่าเป็นคนพุทธห้าสิบล้านคนที่เหลือเป็นอิสลามเป็นคริสตบัญญัตินั้นเป็นทิฐิเป็นของปลอมเป็นของหลอกแกลนภาษาไทยใหญ่เปรียบเทียบว่าเหมือนเกลือถ้าใช้ของปลอมแทนเกลือกินแล้วก็อ้วกถ้าผัดไม่ใส่เกลือแกงไม่ใส่เกลือนั้นก็กินไม่ได้ส่วนการเกิดนั้นก็ได้บัญญัติ จากโรงพยาบาลว่าเป็นคนพุทธศาสนาพอคลอดออกมาได้สมมุติบัญญัติจากแม่จากพ่อว่าชื่อนั้นชื่อนี้50าสิบกว่าล้านคนก็เป็นลักษณะนี้บัญญัติต่อมาก็คือการเข้าโรงเรียนทาตามพ่อแม่ที่เชื่อในบัญญัติว่าต้องโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้บัญญัติขั้นต่อมาก็ต้องไปที่อำเภอ เมื่อถึงอำเภอต้องทำบัตรประชาชนต้องมีบัญญัติชื่อนั้นชื่อนี้เป็นของปลอมสิ่งที่เป็นบัญญัติเช่นนี้มีห้สบล้านกว่าคนในประเทศไทยส่วนปรมัาทนั้นคือของจริงเป็นสิ่งจริงใช้ปัญญาสมาธิฐิเห็นทุกปัญญาสมาสกปะพิจารณาวางเหตุทุกเหตุทุก์กเป็นอนัตตาอันนี้เป็นของจริง ห้าสิบล้านมีกี่คนในเมืองไม่หอกสอนที่จะเป็นคนพุทธภาษามีประมาณห0ถึงห0สิคนน้อยมากเราทุกคนมาพบแล้วพอเราลืมอณา ต, ตาเป็นอย่างไรอตตาโนนิชุโนปตัมเป็นกูไปหาทางตายเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นตันหาตันหามาเกิดสมุ ท, ทยัยสมุทัยเป็นบาลีไม่ใช่คำไทย คำทยใหญ่ว่าสัมอุทยาติเอเตนาติสมุทโยสัมตายแล้วอุทยาติให้เกิดคืนเป็นตัวสมุทัยสมุทัยเป็นอะไรอัตตาเป็นกูมานะกูมีโลภะอยากได้อัตตามานะโลภะทิฐิอัตตาโง่ามานะบ้าโลภะเมาวิ่ง ไทยใหญ่ว่าเงอะบ้าหมูยองไทยน้อยว่าโง่บ้าเมาวิ่งอยู่ในเมืองเข้าเข้ า, ขาออกออกไปดูสิเมาหาสตางเมาจ่ายสตางเมาวิ่งบาลีว่าสมุทยัยตายแล้วเกิดคนตายแล้วจะเกิดเป็นคนอีกก็ไม่ใช่เทวดาเกิดเป็นเทวดาอีกก็ไม่ใช่พรหมเกิดเป็นพรหมอีกก็ไม่ใช่ คนตายร้อยคนเป็นเทวดาแค่ห้าคนไม่ได้ไปเป็นพรหมนอกจากเหตุอบายภูมิไม่มีแล้วถึงไปได้อัตานโนเกหาเดระชานอุพชันติอบายภูมิแปลว่ากูมีบ้านบ้านเรือนของกูเรือนคันนี้คันเก่าของเก่ามีบ้านเก่าของกูอยู่ในอบายภูมิ ชั้นเทวดาเป็นโรงแรมชั้นกลางพรหมอรุปพรหมเป็นโรงแรมชั้นสูงถ้าโรงแรมหมดเจ้าของโรงแรมไล่ไม่ให้นอนจะกลับไปไหนก็ต้องกลับไปบ้านเก่าที่อบายภูมิของกูซึ่งมีหนึ่งเดรชาญสองเปรตสอสุรกาย 4. นรกเดรชาญขวางไปเป็นสัตว์สี่ขาเอาหัวไปก่อน สองเปรตเปรตมีสองประเภทคือผีอดผีอยากผีเจ้าเมืองผีอยู่จอมผาไม่มีบ้านเรือนไม่อยู่ร่วมกับคนผีอยู่ป่าขี้ไปเยี่ยวคนโง่ไปไหว้เขาเราเพึ่งเขาไม่ได้คนกลับไปไหว้เป็นคนโง่ผีโง่ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่เป็นอนัตตาเป็นคนโง่ไม่ใช่คน พุทธภาษาเป็นของจริงสมาธิิเห็นทุกขสัจจะรู้ทุกขสัจจะไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเป็นคนพุทธภาษาของจริงมีเท่าไหร่ในประเทศไทยถ้าเราเป็นคนพุทธภาษาอบายภูมิไม่ต้องขอผ่านยังไงก็ไม่ได้ไปคนไทยเราไทยน้อยไทยใหญ่ขอผ่านอบายภูมิขอให้ได้มรรคได้ผลได้นิพพาน การขอเอานั้นไม่ได้ขอผ่านก็ผ่านไม่ได้อยากไปนิพพานอยากเป็นอริยะผลอริยะนิพพานนั้นต้องทำงานอยากได้ก็ต้องทำหากเราอยากไปนิพพานก็ต้องทำงานนิพพานงานนิพพานเป็นอย่างไรปัญญาสมาธิและสมาสังกปะมักมีองค์8สององค์นำหน้านี้เป็นของพระพุทธเจ้า สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นของมนุษย์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นของพรหมอรูปพรหมตายแล้วตายแล้วยังต้องกลับมาเกิดอีกเกิดแล้วตายเกิดเป็นสมุทัยเกิดแล้วให้ตายเป็นสังขารเกิดเป็นหมูเป็นหมามา้าแมวสัตว์วาคนเหมือนกันหมด จัดให้ตายเป็นอัตติฐิมานะทำให้เกิดถ้าเรากลัวตายกลัวเกิดก็ให้ละวางอัตตามานะอัตตาเป็นหัวหน้าเป็นนายคนอัตตาออกก็ทุกออกจาไว้นะทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นสมาชิเป็นสม า, ส, มาสังกปะท่านให้ทำยังไรท่านให้รู้ทุกเห็นทุก สัมมาสกปะเป็นอะไรเป็นการวางเหตุทุกข์เหตุทุกข์คืออะไรเอามัคคสัตย์สู้สมุทัยสัตว์เอาอัตตาสู้อนัตตาพม่าบอกว่าอัตตาตายความจริงอัตตาไม่ตายอัตตาเป็นปรมัติอัตตามันย้ายอัตตามันอยู่กับขันของพระอริยเจ้าไม่ได้นอกนั้นเป็นที่อยู่ของอัตตาหมดอริยะแปดเจ้าอัตตาอยู่ร่วมไม่ได้ นิพพานอัตาก็เข้าถึงไม่ได้อยากไปนิพพานต้องวางอัตาให้ได้สู้มากๆสู้ให้อาหานพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสัมปะชาโนสติมานิระยะโลเก ท, ท่านเป็นแบบอย่างเป็นเจ้าบารมีอาตาปิโนไม่ได้ไปเป็นไม่ได้มักไม่ได้นิพพานไม่เป็นพุท ธ, ธะไม่ถอย วิระยะโลเกบางอัตาเป็นอนัตาอนาปิโนตั้งแต่หโมงเย็นถึงหโมงเช้าไม่ย้ายส2บสองชั่วโมงอัตาย้ายท่านทำทุกรกิริยาห้าปีสิบเดือนทุกรกิริยาความบาลีทุกมีจริงอยะมีจริงกระตะทำให้ทุกเกิดนั่งเหนือลูกหินเดินเหนือลูกหิน รองเท้าไม่มีผ้าปูไม่มีกรดไม่มีฝนเปียกย่างกลางแดดทุกขตะทำให้ทุกเกิดอาจาระ1หนึ่งสมาธิเห็นทุกแล้วอาจาระ2สองไม่ใช่เราไม่ใช่กองเราเป็นอนัตตานิพานทำเอาขอไม่ได้คอสมีห้า0ันปีคอสเป็นอะไรเป็นสมาธิ เห็นทุกสมาสกปะหาทุกเป็นอนัตตาส2องชั่วโมงกิเลสตายแล้วห้าพันปีเราทำงานเปิดคอสเปิดมาแล้ว 2,400 กว่าปีรลวงพ่อบอกว่าคนวิ่งเป็นค้างคาวเอาหัวห้อยลงกลางคืนไหว้พระตอนเย็นไหว้ผีสางคนเมืองเงือกคำว่าคนภาษาไทยน้อยภาษาไทยใหญ่ ไม่มีคำอธิบายคำพม่าเรียกว่าลูแปลว่าถวายทานไปเรื่อยเขาเป็นทานคนไม่มีความหมายมนุษย์เป็นคำไทยบาลีว่ามาโนวิสติเอเตนาติมนุโสมโนมโนวิญญาณใจดวงวิสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วรู้ทุกข์เป็นอนัตตาเป็นมนุษย์แล้ว เป็นมนุษย์เป็นอริยะไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นอริยะพระพุทธเจ้าพูดธรรมจักเทวดาฟังธรรมจักมาเป็นมนุษย์ร้อยแปดสิบร้านแล้วเป็นอริยะพรมาเป็นมนุษย์เป็นอริยะสองอสงไขยเป็นปจวกีห้าเจ้าเป็นอริยะห้าคนไม่ง่ายเลยนะที่จะได้พบธรรมะพระพุทธเจ้าพูดอยู่ตลอดเลยว่า พุทธัทงสระนังคชามิพุทธัทงเจ้าเห็นรู้นั้นสระนังนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปกับพระพุทธเจ้าพูดพร่ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ปฏิบัติโง่ลวงพ่อได้รับข่าวจากชาวแม่ห้องสอนว่าเจ้าปูทีนั้นลูกน้องมันเป็นผู้หญิงนุ่งห่มจีวรบินทบาทอยู่ในเมืองแม่ห้องสอนขาวว่าวไหว้นางวิสาขาทุกคืน นางวิสาขาเป็นสามีจิปติปันโนเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเขาสุปฏิปันโนเป็นผู้เอาสมาธิเห็นทุกขสัจจะเป็นรองมักอุชุปฏิปันโนเห็นทุกขสัจจะไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเป็นรองมักยายปฏิปันโนเป็นมักสามีจิปติปันโนเป็นผลว่ายนางวิสาขาทุกวันวก็ไม่รู้ ไม่รู้ก็โงส่สิโง่ไม่รู้ทุกคืนทุกวันไหว้นางวิสาขาเขาเข้าใจว่าห่มจีวรไม่ใช่ของนักบวชเอาจีวรห่มหมาก็บวชหมาแล้วเลี้ยงข้าวหมาเหมือนใส่บาทบวชเป็นใจบวชใจเห็นรู้บวชเห็นรู้เป็นอนัตตาอันนี้บวชแล้วหากหอมผ้าเหลืองบอกว่าบวชเรามีควายเอาจีวรหมควาย ได้ใส่บาดควายมันไม่ถูกต้องบวชนี้เป็นใจสมาธิธิสมาสังกปะเห็นทุกข์สัตย์แล้วนะทุกคนให้เข้าใจกันนะ